บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยาแห่งมหาสติปัฏฐานในสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในหมวดต่อไปทรงใช้คำว่าปฏิกรุลปภ ะ, ะคือหมวดที่ให้มองเห็นร่างกายตน และกายบุคคลอื่นประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและมีความปฏิกูลอยู่ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อจะถ่ายถอนเพื่อจะบรรเทาความกำหนัดความรักใคร่ ย, ยินดีพอใจทั้งในกายตนและกายของบุคคลอื่นซึ่งจะเห็นได้ว่าในแง่ของโลกของชีวิตแล้ว สิ่งทั้งหลายแม้จะมีมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือตัวของเรากับนอกจากเราซึ่งอาจจะเป็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆก็ได้แต่ตัวการที่สร้างปัญหาให้ยุ่งยากเกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของบุคคลนั้นก็คือเรื่องของเรากับบุคคลอื่น ความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาตัณหามาณทิฏฐิและแม้แต่ความเป็นเราเป็นเขาที่เกิดขึ้นมาเกิดจากเรากับบุคคลอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้บุคคลได้ใช้สติแด้สมประชัญญะระลึกรู้ดูจีกาย มองให้เห็นถึงความจริงตามที่เป็นจริงของร่างกายตนและกายบุคคลอื่นเพื่อจะได้ถ่ายถอนตัณหาจริตที่เป็นไปอย่างรุนแรงขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิษพิจารณาเพื่อให้ได้บรรเทาความรุนแรงของตัณหาและเพิ่มปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาให้สูงขึ้น กรรมฐานส่วนต่างๆที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกการกำหนดระลึกดูที่อิริยาบถใหญ่ทั้งสี่และการระลึกรู้อิริยาบถย่อยความเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายก็มีจุดมุ่งหมายในลักษณะดังนั้น แต่เนื่องจากตัณหาจริติที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและมีอยู่ภายในจิตใจนั้นมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปความรุนแรงในความคิดและการแสดงออกจึงแผกเพี้ยนออกไปในลักษณะต่างๆกันพฤติกรรมเหล่านี้สามารถที่จะมองเห็นได้ในที่ตัวทั่วไปและในบุคคลตัวทั่วไป เมื่อทรงแสดงกรรมฐ า, านในรูปของการถ่ายทอนก็ต้องใช้กรรมฐ า, านที่แตกต่างกันบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมแก่คนที่มีตัณหาจริตแรงกล้าแต่ไม่กล้าจัดมากนักก็อาจจะดูในรูปของลมหายใจเข้าออกอริยาบทและสัมมชัญญะดังกล่าวมาแล้ว บางอย่างนั้นรุนแรงทั้งสองอย่างคือในด้านตรหาจริตก็รุนแรงในด้านปัญญาก็อ่อนมากทำให้บุคคลผู้นั้นไม่ยอมพินิจพิจารณาใช้เหตุผลดูกายตนและกายบุคคลอื่นตามความเป็นจริงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จึงต้องมีลักษณะกรอตุ้นปัญญา และบรนเทาตัณหาสูงขึ้นนั่นก็คือให้แยกร่างกายของตนออกมาดูเป็นส่วนๆให้เห็นเป็นความปฏิกูลน่าเ ก, กลียดสกปรกด้วยประการต่างๆคำว่ากายนั้นท่านแปลในสองความหมายด้วยกันความหมายแรกได้กแกล่งเป็นที่ประชุมแห่งผมขนเป็นต้น ความหมายประการที่สองคือที่ประชุมแห่งสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆท่านตัดออกเป็นสองคำว่ากุกกับอายะซึ่งมีความหมายดังที่กล่าวแล้วโดยความหมายที่เรียกก็ต้องการเชิญชวนให้บุคคลพิสูจน์ตสอบว่าคำว่ากายที่ท่านให้ความหมายไบบนั้น เป็นที่ประชุมแห่งสิ่งปติกูลอย่างที่ท่านแสดงไว้หรือไม่แต่กรรมวิธีในการที่จะถ่ายถอนตระหนัจริตที่เป็นไปอย่างแรงกล้าและเพิ่มประสิทธิภาพแห่งปัญญาจนสามารถเห็นจริงคล้อยตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่นัานได้จึงต้องอาศัยกรรมวิธีหลายประการด้วยกัน ดังนั้นกรรมฐ า, านเหล่านี้ที่ใช้อารมณ์อย่างนี้จึงมีเรียกในที่ต่างๆถึงสามแห่งสามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็เรียกว่าปฏิกูลลุลปภะคือหมวดแห่งสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างที่สองเรียกว่ากายกตาสติคือการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่กายข้างตน้นอย่างที่สามเรียกว่าอสุภะสัญญา คือการกำหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามที่มีอยู่ในร่างกายตนการกำหนดพินิจพิจารณานั้นก็คือการแยกส่วนต่างๆของร่างกายที่ท่านแบ่งออกเป็นอาการทั้ง32โดยเริ่มต้นมาจากผมเป็นต้นทั้งสองในใด้พิจารณาว่าให้ดูตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้า แล้วก็ย่อยออกไฟเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมาหัวใจตับพังผืชตไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเรื่อยไปจนถึงก็มันสมองแต่ในสมัยก่อนนั้นท่านสอนในสาทยใหญ่เป็นรูปของภาษาบาลีซึ่งก็เหมาะสมสมหับท่านที่เข้าใจว่า ภาษาบาลีเหล่านั้นหมายความถึงอะไรและแปลว่าอย่างไรแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ภาษาบาลีหรือแปลความหมายของภาษาบาลีไม่ได้ก็อาจจะใช้ภาษาไทยที่ท่านแปลออกมาแล้วกำหนดสาทยายก็ได้การเจริญกรรมาฐานหมวดนี้ เริ่มจริงๆก็สรงสอนให้พิจารณาไปแต่ละส่วนย่อยดังกล่าวแล้วคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไปโดยทรงยกอุปมาเปรียบเทียบไปเห็นบ้าแท้จริงแล้วร่างกายของบุคคลเราและแม้แต่ของคนอื่นมีลักษณะเหมือนกับถุงขนาดใหญ่เตี่ยวของต่างๆเข้าไปใส่ไว้ในถุงอันเดียวกัน เมื่อคนเปิดปากถุงออกมาแล้วเทสิ่งในถุงนั้นออกก็กําหนดแยกได้ว่านั่นเป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่างนี้จะนัดว่านั่นเป็นข้าวสารนั้นเป็นข้าวเหนียวนั้นเป็นถั่วเหลืองนั้นเป็นถั่วอ ย, อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรลงไปร่างกายของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นเหมือนถุงขนาดใหญ่ที่ใส่สรรพสิ่งเอาไว้ เมื่อแยกย่อยออกไปก็จะปรากฏเป็นอาการคือหมูดใหญ่ถึง32กลุ่มด้วยกันโดยเริ่มมาจากผมเป็นต้นแน่นองจากคืนจริตหรืออธัธยาศัยของคนมีลักษณะดังกล่าวมักจะมีการกำหนดหมายสิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามโดยสภาพว่าเป็นของสวยงามอยู่แล้ว ขั้นตอนในการปฏิบัติจึงมีลักษณะขัดเกลาคือค่อยๆปรับความคิดปรับจิตใจให้ยอมรับและเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปฏิกูลจริงๆถึงว่ากันตามหลักของความเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งนั้นคนก็ยอมรับรู้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแผงซากศพมีผมขนเป็นต้น ทั้งหมดนั้นเป็นของหน้าเบืดอหนแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเป็นการ <c oughs> เป็นการมองตามลักษณะของสัญญาคือการจําหมายแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาพินิพิจารณาเทียบเคียงก้อนี้เพื่อเห็นตัวอย่างง่ายๆว่าในร่างกายของเราเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจะยกตัวอย่างว่าผมขนเป็นต้น ตกไปในที่อาหารบ้างหรือในที่อับที่นอนเป็นต้นก็จะมีการปัดกวาดออกไปหรือหยิบทิ้งออกไปแต่บางครั้งบางคราวก็แสดงอาการขยะขยะงให้ปรากฏออกมาซึ่งก็หมายความว่า <c oughs> ความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นปฏิกูลก็มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล แต่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการพินิจพิจารณาจนสามารถบรรเทากามราคะมันเทาการมตัณหาในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปได้ความรู้เห็นในชั้นนี้จึงเป็นความรู้เห็นระดับที่เราเรียกว่าสัญญาคือจําไม้เอาสนั้นเองแม้แต่คนซึ่งคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับร่างกาย ของคนทั้งหลายเช่นแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือคนที่เผาศพคนตายเป็นต้นภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่ไปจากแก่สายตาเห็นกันอยู่สม่ำเสมอบางทีก็ในชีวิตประจำวันทุกวันโดยซ้ำไปแต่ก็ไม่ได้มองเลยไปจากจุดที่ปรากฏสิ่งนั้นปรากฏอย่างไรก็รู้เห็นอย่างนั้น การพิจารณาน้อมนึกเปรียบเทียบเพื่อบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวแล้วจึงไม่ได้เกิดขึ้นกิเลสที่ควรจะบรรเทาได้ก็ยังบรรเทาไม่ได้ยู่เือนเดัมเรื่องเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องมีอุบายวิธีในการกาหนดในการพินิจพิจารณาโดยชั้นแรกนั้นฉันสอนในรูปของการเสริมสติกำลัมปชัญะ ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแนบแน่นอยู่กับอาการทั้งสามสิบสองประการนั้นข้อแรกจึงเป็นเรื่องของการสาธยายคือนำมาท่องสาธยายหมุนกลับไปกลับมาวิธีการสาธยายของท่านนั้น <c oughs> จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเ <c oughs> มื่อทำไปทาไปแล้วตัวสติกับสัพพัญญจะต้องมีสมรรถนะสูงขึ้น เพราะาไม่น้นก็เผยจนได้คือท่านย่อยออกไปเป็นชุดๆเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือเกษาโลมานาาดันตาตะโจแล้วก็กลับตโจดันตานขาโลมาเกษาแล้วกลับอีกเกษาโลมานาคาดันตาตะโจแล้วก็กลับอีกพ อ, อ, อกลับชุดท้าครบมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วก็ตั้งชุดใหม่ <c oughs> มังสังหนารูอัถิอถิบินชังวักกังแล้วก็กลับมาจากว ก, กังมาจนถึงมังสังก็หมุนกลับไปกลับมาจนครบชุดท่าพอครบชุดท่าแล้วก็หมุนจากชุดท่าหลังย้อนกลับเข้าหาชุดหน้าแรกตั้งต้นจากชุดท่าแรกไปหาชุดท่าหลังแล้วก็ตั้งอีกห้าชุดหมุนกลับไปกลับมาจนชำนีิชำนาญก็วิ่งคือย้อนต้นเขาเรียกว่าโดยอนิโรมโดยอนุโลมคือสาธยายไปตามลําดับ ย้อนกลับมาเป็นปฏิโลมคือจากปลายมหาต้นจากต้นต้นมหาปลายที่จริงแนวการฝึกสติสัมมชัญาะแนวนี้ถ้าลองศึกษาดูจะพบว่าวิธีการสมัยโบราณเช่นอิติพิโส8ปดทิศหรืออิติปิโส8ด้านหรืออิตธิพิโสถอยหลังเหมือนต้นคือท่านสามารถสาธยายจาก ข้างหน้าไปหาข้างหลังได้แล้วก็แยกออกไปเป็นด้าน ๆ, ๆออกมาเป็นทีตะคำตั้งศัพหน้าศัพหลังย้อนต้นย้อนปลายจากกลางไปหาต้นจากต้นไปหาปลายและจากกลางไปหาปลายเป็นต้นซึร็ก็หมายความว่าถ้าสติเป็นไปช้าก็เผล่ก็เกิดความรั้งพลาดเป็นการฝึกให้เกิดสติเป็นไปอยู่เฉพาะในเรื่องนั้น ซึ่งแนวเหล่านี้จะเห็นว่าแม้แต่แนวของการฟังซึ่งเป็นการเสริมสติพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวแห่งการฟังธรรมะของบุคคลที่จะก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการหรือตามที่พระองค์ทรงประสงค์แสดงอาการเคลื่อนไหวทางกายว่าเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมเงียหูลงฟัง กำหนดข้อความพิจารณาข้อความซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าตาหากว่าฟังธรรมะในลักษณะนี้ตัวสติก็จะต้องแนบแน่นอยู่กับเสียงแห่งธรรมะที่กำลังฟังอยู่ในแต่ละขณะหรือบางครั้งบางคราวบุคคลบางคนที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมจะกำหนดจะพิพจารณาธรรมะแต่เป็นการฟังธรรมเพื่อผลประโยชน์ ยางบุตรชายของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีที่ชื่อว่านายกาลละซึ่งบิดาจ้างให้ไปฟังธรรมะโดยให้ให้วันละห้าร้ยกหาปณ ะ, ะมาโดยลาดับพอถึงวันหนึ่งก็บิดาก็สั่งว่าให้จําธรรมะมาสักประโยคหนึ่งแล้วมาบอกให้พ่อฟังพ่อจะให้พันกหาปณะนาะยกาลละฟังธรรมะด้วยความรู้สึกต้องการผลประโยชน์ที่เป็นเงินทอง พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยประาญามจึงบรรดาลไม่ให้ฝังได้ไม่ให้กําหนดจับได้เมื่อกําหนดจับไม่ได้ปริมาณของสติคือการกําหนดก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกันในที่สุดก็กลายเป็นสมาธิคือตัวสติจะเป็นแนบอยู่กับพระพุทธธรรมรัตน์ที่ตรัสไปโดยลําดับจากนั้นก็กลายเป็นปัญญากําหนดพิณิพิจานา แลในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไปในขณะนั้นดังนั้นการสาธยายจึงเป็นการเรื่องต้นปูพื้นฐานเสริมสร้างสติของบุคคลให้แนบแน่นอยู่กระบทที่สาธยายให้ได้มีเรื่องถึงส2สองข้อเมื่อมาตัดเป็นตอนๆขึ้นมาอย่างนี้การกำหนดการสาธยายก็ยาก ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความจำแต่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสติข้อนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับการนับลมหายใจเข้าออกที่ถือประพฤติปฏิบัติกันนั่นเองเจนได้ว่าตัวเลขนั้นเป็นเรื่องของความจำแต่ว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละชุดของลมที่คนนับอยู่นั้นจะต้องอาศัยสติอย่างแรงมาก เพราะสติเกิดอ่อนมีความเผลอเรอิบังเกิดขึ้นในจุดใดก็ได้ก็นับผิดได้ทันทีเลยจะในขณะนับชุดหนึ่งถึงห้าห้าซึ่งตัวเลขนั้นก็จำกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตัวเลขแต่ปัญหาว่าถ้าสติแกขาดแกเผลอไปเป็นหกหกก็ชื่อว่าเผลอหรือเกิดไปลังเลที่ห้าห้าอยู่ว่าอะไรกันแน่สแสดงเห็นว่าสติก็ขาดไปในขณะนั้นนัน การกําหนดการสาธยายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเริ่มต้นจริงๆก็สาธยายวิ่งไปตลอดเป็นเกสาโลมานาขาดันตาตาโจมังสังนารูอัติอัิมินชังวักกังหะดยังยากนังกิโลมังกังปียกังปะผ้าซั่งอันตังอันตะกุนังอุตริยังกีสั่งปิตังเสมพังปูโผลหิตังเซโทเมโทวัสุวะซาเคโลสิงคาลสิกามุดตังมอตาเกมัทลุงขัง นี่ก็เป็นรูปของภาษาบาลีถ้าจะถามภาษาทยายเท่าไรท่านบอกให้สาทยายเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งต่การสาทยายในรูปของการออกเสียงนั้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ในตอนแรกท่านก็ให้สาทยายออกเสียงเป็นก่อนไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อเอาประสาทสัมผัสส่วนอื่นเข้ามาช่วยในการควบคุมเสริมสร้างให้เกิดสติขึ้นมา ในขณะที่ปากสาทยายใจกำหนดจุบไปนั้นหูก็ได้ยินเสียงตัวเองด้วยถ้าผิดก็จะได้รู้สึกตัวในขณะนั้นนันการสาทยายในชั้นนี้ถือว่าเป็นกิจในเบื้องตน้นที่บุคคลจะต้องเริ่มปฏิบัติกรรมฐานส่วนนี้แต่ว่าส้ามาบุคคลโดยทั่วไปนั้น บางครั้งพระพุทธเจ้าก็สอนเพียงหข้อข้างต้นท่านเรียกว่ามูลกก ร, รมาฐานคือกรรมฐานเดิมหรือเตอจปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่มีหนังเป็นที่ห้าบางครั้งท่านก็ใช้เป็นสํา น, นวนว่าพระขันห้าเล่มซึ่งก็หมายความว่าเป็นเครื่องตัดจะตัดอะไรก็ตัดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปในลักษณะกําหนดเพลิดเพลิพพนยินดีในอารมณ์นั้นๆ ตัวอย่างเช่นว่จิตเกิดกำนัดเกิดเพลิดเพลิพนยินดีในอารมณ์หน้าคราหน้าปรารถนาหน้ า, า, น า, นาพอใจขึ้นมาเราก็มากำหนดสาธยายเกษาโลมานะคะดันตาตาโจตะโจดันตานะคะโลมาเกสาเากำหนดสาธยายกลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่กี่นาทีในความรู้สึกเหล่านั้นก็จะบรรเทาปบาบางลงไปเรื่องนี้จึงกลายเป็นอุบายะวิธีเช่นเดียวกับอะไร เช่นเดียวกับการนับหนึ่งถึงสิที่โบราณเขาสอนเอาไว้ว่าถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาให้นับหนึ่งถึงสิบเจอก่อนผู้ฟังก็บอกว่านับหนึ่งถึงสิบแล้วยังไม่หายผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่านับต่อไปลูกนับไปถึงร้อยมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนความคิดของคนแทนที่จะไปเพิ่มเชื้อของโทสะ ก็ตัดความใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นหันมากําหนดนับหนึ่งถึงสิยังไม่หายนับหนึ่งถึงร้อยังไม่หายนับไปเรื่อยๆนับไปถึงพันในความโกรธที่เคยใส่ใจอยู่ก่อนก็ค่อยเลือนไปจากจิตใจเพราะจิตของบุคคลเรานั้นทํางานคราวหนึ่งก็ได้เพียงอย่างเดียวเมื่อใจมามณสิการอยู่ที่ตัวเลขหรือมณสิการอยู่ที่อาการทั้ง32ประการ เชื้อในด้านกิเลสก็จะลดลงไปความสงบก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนของการสาธยายเพราะถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่ได้จดจ่ออยู่ในเรื่องที่กำลังสาธยายก็จะเกิดความเผลอเรือความพลังพลาดขึ้นแต่เมื่อมาจดจ่ออยู่ที่เรื่องสาธยายก็ต้องตัดอารมณ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งความกำหนัดหรือเหตุแห่งความขัดเคืองก็ตามข้อนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความสงบในตอนต้นประการสาคัญอย่างยิ่งก็คือเสริมสติให้สติระลึกเป็นไปได้เร็วในเรื่องอารมณ์เหล่านั้นสาธยายการกลับไปกลับมาโดยเฉพาะในสมัยก่อนจริงๆ พระที่บวชเข้ามาจะต้องมีความชำนิชำนาญในอาการทั้งสามสบสองประการแต่แม้แต่ชาวบ้านเองที่ได้ยินได้ฟังได้บวดไปก็จะนำอาการทั้งสามสบสองประการ น, นี้ไปสาทยใหญ่จนถึงกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำบูรุที่กุศลให้แก่บรรพชนซึ่งทำการรักกิยาไปแล้ว สมัยก่อนจริงๆนั้นท่านจะเอาอาการทั้ง32นี้มาเขียนเป็นวงกลมเอาไว้ที่กระดาษซึ่งจะเขียนชื่อพ่อแม่ปุยญาติยายของตนใส่เข้าไปซึ่งเป็นวิธีทางกรรมฐานที่สอนบุคคลในยุคในสมัยนั้นให้ได้คิดว่าพ่อแม่ปุยญาติยายของเรานั้นโดยฐานะหนึ่งก็คือกองแห่งสังขารธรรมทั้งหลายที่มาเกาะกลุมมาประชุมกัน แล้วท่านทั้งหลายก็ได้แตกกายทำลายขันแยกย่อยสิ่งงเหล่านั้นออกไปตามสัดส่วนของตัวเองแล้วเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดความสำนึกที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่มัวเมาประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคเหล่านี้และมีอื่นอีกเป็นนั้นมากที่โบราณบันดิต และบรรพชนไทยบุรภาจารย์ในอดีตท่านวางแนวขึ้นเพื่อเสริมกรรมาฐานแต่ละส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติเอาไว้เป็นหลักทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งบางคราวจะเข้าในรูปแบบจริงๆนั้นกำลังสติสัมปชัญญะกำลังความเพียรของคนเรายังมีไม่มากพอทำยังไม่ได้ท่านก็ปรับพื้นฐานในชีวิตประจาวันไว้ก่อน ค่อยๆเสริมสร้างกันทีละเล็กทีละน้อยในลักษณะขัดเกลาลักษณะเสริมสร้างฝ่ายที่เป็นกุศลและขัดเกลาฝ่ายที่เป็นอกุศลเมื่อมีการกระทําไปบ่อยๆสาธยายไปบ่อยๆในส่วนนี้บุคคลจะเห็นได้ว่าสาธยายมากข้าวมากข้าวพราะสติแกเกิดรวมตัวข้าวปัญญาก็จะปรากฏเกิดขึ้น สัมพันธ์กับสิ่งที่ตนนำมาสาธยายก็จะเริ่มมีการกำหนดมีการพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่นำมาสาธยายเช่นพิจารณาถึงผมถึงขนถึงเล็บถึงฟันถึงหนังจึงอาจจะแจกย่อยออกไปโดยลักษณะต่างๆโดยสีโดยสันญานโดยเิล่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นเป็นต้น ในขณะที่พิจารณาอยู่สติก็ระลึกอยู่ปัญญาก็ทำหน้าที่พิจารณาสติก็ทำหน้าที่ระลึกมีลักษณะที่สนับสนุนการอยู่เช่นนี้ความรู้ความเข้าใจถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยให้บรรเทาความกาหนัดยินดี การสูญเสียเวลาในการตกแต่งประดับประดาร่างกายของตนเองไปได้เป็นนั้นมากและบรรเทาความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้พอสมควรที่เรียกว่ามีสติคุ้มครองตัวเองได้ไม่ถึงกับลูกอำนาจแก่อารมณ์ที่บางเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าขาดการควบคุมความรุนแรง ที่เกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จก็จะผลักดันให้มีการประพฤติมีการกระทํมในลักษณะที่ทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆอย่างที่ปรากฏให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่แต่ถ้าใจที่มันกำหนดลึกมันกำหนดพินิษ์พิจารณาดูซึ่งว่าที่จริงนั้นการพิจารณาอาจจะพิจารณาในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่า การสาธยายมีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญแล้วต่อไปก็หยิบมาทีละชิ้นทีละส่วนซึ่งท่านกำหนดให้ระลึกเข้ามาพินิจพิจารณาเช่นยกเอาผมขึ้นมาพิจารณาอาจจะดูในเส้นผมที่ร่วงลงมาแล้วหรือผมที่ปรากฏในที่อื่นๆมองกลับไปกับปาก็จะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของผมทั้งหลายแทย้ที่จริงแล้วก็เป็นการประชุมของอนูต่างๆมากลายมาเป็นเส้นผมแล้วเมื่อเกิดเป็นเส้นผมขึ้นมาแล้วก็มีความปฏิกูลต้องเสียเวลาชระสะสางไม่ว่าโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของผมเราล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นโดยสีก็ไม่สวยไม่งามโดยกลิ่นก็ไม่สะอาด โดยที่เกิดก็ชุ่มแช่อยู่ด้วยปุโพลโลชิตและเมื่อร่วงหล่นไปก็เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกขยะขยงรังเกียจใส่เสียเอียนสำหรับบุคคลทั้งหลายแม้ผมนั้นจะเป็นของของตัวเองก็ตามดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในสัสดส่วนเท่านั้นเองจึงสามารถกำหนดหมายการได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อ แกเปลี่ยนไปจากจุดที่แกควรจะอยู่คนเราก็สามารถมองเห็นในรูปของการปฏิลได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการทวนกระแสความคิดที่แรงมากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโดยพื้นฐานทางจิตใจของบุคคล น, นั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันมีลักษณะเหมือนกับปลาที่จเจริญเติบโตอยู่ในน้ำ ติดอะไรอยู่ในน้ําการได้ยกปลาขึ้นมาจากน้านั้นปลาก็ต้องดิ้นกลับไปหาน้ําอีกเช่นใดใจของบุคคลนั้นจเจริญเติบโตมาด้วยอํานาจของกามคุณทั้งหลายแล้วก็ถูกกรมคุณทั้งหลายหล่อเลี้ยงเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับการมคุณการที่จะยกจิตขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามนัยยะที่ทรงแสดงไว้นั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะจิตจะดิน้นจะมีการต่อสู้จะมีการขัดขวาง จะมีสิ่งอย่างอื่นมากระซิบกระซาบใจลบล้างความคิดที่กบด้วยสติและสัมมาชัญญาดังกล่าวให้เหลือนหายไปหรือบางทีก็คุมตนเองไม่ได้การกําหนดการสาธยายจึงต้องผ่านขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปอีกและที่สําคัญอย่างยิ่งคือต้องมานสิการ ต, กต้องนึกต้องกําหนดหมายอยู่สม่ําเสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างเหตุผลตามระยะที่กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป